พวกเราที่ได้มาวัดป่าสุกโตไม่ว่ า, าไม่เป็นไรนั่งตามสบายจะปะนมมือหรือไม่ก็ไม่เป็นไรขอให้มีสติตั้งใจฟังพวกเราที่ได้มาวัดป่าสุกโตบางคนก็เพิ่งมา บางคนก็มาได้เป็นอาทิตย์นานเป็นเดือนหรือบางคนก็เป็นปีภูมิลำเนาของแต่ละคนนะก็หลากหลายแตกต่างกันไปบางก็มาจากทิศเหนือบางคนก็ไปทิศใต้จํานวนไม่น้อยก็มาจากกรุงเทพแล้วก็มีบางคนที่มาจากต่างประเทศ สิ่งหนึ่งที่ดึงดูดให้พวกเรามาที่นี่จากทุกสารทิศก็คือความปรารถนาที่จะได้พบกับความสุขหลายคนน่าจะมีชีวิตที่สรกสบายแล้วก็ผ่านความสนุกสนานมาแต่ว่าก็หาความสุขไม่พบ หรือว่าอาจจะพบแต่ก็ดูเหมือนว่ามันมาเพียงแค่ชั่วคราวยิ่งไล่ล่าหาความสุขเท่าไหร่นะก็ยิ่งไม่เจอหลายคนก็อุตส่าห์ดันดลเดินทางไกลกันมาถึงที่นี่เฉพา ะ, ะนะักครูเจ้าที่จากวันสว่างจิตนะก็ก็คงจะ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 หรือถึงจะได้สัมผัสกับความสงบแต่ว่ามันก็จะเป็นความสงบชัว่วครูชั่ว ย, ยามพอกลับไปกรุงเทพกลับไปที่ทำงานความว้าวุ่นควา ม, มอกึกทธิคึกโครมก็บังเกิดขึ้นอันาจะแสวงหาอะไรหรือสิ่งเดียวที่มีค่านะก็คือ การที่ได้มารู้จักตัวเองการได้มาค้นพบตัวเองสิ่งนี้เนี่ยสำคัญกว่าช่วงนี้นะใครที่ติดตามข่าวครา ว, ราวก็ จ, จะมีความสงสัยหรือปิศนาข้อหนึ่งนะมีหลายคนเข้ามาถามว่าเครื่องบินสายการ บ, บินมาเลเซียแอร์ไลน์ ที่หายไปจากนาน้าเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนหลายคนก็ติดตามจดใจจดใจจ่อข่าวนี้นะบางทีก็ส่งไลน์มาให้ตอ ม, มานะว่าตอนนี้สงสัยว่าเครื่องบินลำนี้อยู่ที่นั่นที่นี่นะมันเป็นเรื่องที่น่าชวนติดตามมากนะว่ามันหายไปไหนไม่มีสัญญาไม่มีร่องรอยไม่พบซ่าเครื่องบินเลย หรือว่ามันหายไปอีกมิติหนึ่งแล้วอย่างที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินบางลำที่ผ่านสามเหลี่ยเมเบอร์มือด้าแล้วก็หายไปเลยมีคนก็สนใจตจดจอดติดตามถึงกลับา ม, มาถามอาตมาก็มีอาตมา ก, ก็แนะนำเขาไปว่าอย่าไปห่วงเครื่องบินนั้นเลยนะตามหาตัวเองดีกว่า คนส่วนใหญ่นี่ก็มัวแต่สนใจตามหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าไม่ใช่เครื่องบินสายการบินมาเลยซีออลนะ์ก็ตามหาเพื่อนตามหาความสำเร็จตามหาชื่อเสียงเงินทองแต่ว่าสิ่งที่มักจะมองข้ามไปคือตามหาตัวเองให้พบ สมัยที่พระเจ้าทรงตัดสรุปใหม่ๆเนี่ยก็มีคราวหนึ่งนะพระองค์ได้มีหญิงมีมีหนุ่มนะเคลื่อนมานกกลุ่มหนึ่งนะเดินตามหานางคณิกาเพราะว่าไปจ้างนางคณิกามานะแล้วก็หวังว่าจะได้ ใช้ผสมหรือว่าสนุกสนานด้วยกันแต่ว่านางคณิกานั้นก็กลับนะหนีไปแล้วก็เอาทรัพย์สมบัติของมารนบกลุ่มนั้นไปด้วยมานรนบหลาเนี่ก็เป็นคนมีเงินนะก็ตามหาว่านางคณิกาไปไหนมาถามพรุทธเจ้าว่าท่านทราบหรือไม่ว่านางคณิกาไปไหนพรุทธเจ้าก็เลยตอบมานรนบเราดันว่าจะตามหาหญิงสาวไปทําไม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 แต่ว่าส่วนใหญ่รักตัวเองไม่ถูกรักตัวเองไม่เป็นมันก็เหมือนกับคนเราทุกคนตั้งแต่เกิดมาก็กินอาหารเป็นกันทั้งนั้นแหละเอากินอาหารได้กันทั้งนั้นแหละรู้ว่ากินอาหารเป็นยังไงแต่ว่าจํานวนไม่น้อยกินไม่เป็นกินได้แต่กินไม่เป็นอย่างเช่นคนอีสานจํานวนหนึ่งสมัยก่อนมีเยอะมากเดี๋ยวนี้ก็ลดลงไปเยอะก็คือว่า ชอบกินปลาดิบนะพอกินปลาดิบเข้าเกิดอะไรตามมานะพยาใบาไม้ในตับนะใช้เป็นมะเร็งมะเร็งในตับนี่เกิดขึ้นมากนะในคนยิสานเพราะว่าการกินปลาดิบนะก็เดี๋ยวนี้ก็ลดลงไปเยอะแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนที่กินไม่เป็นนะไม่ใช่เพราะว่าไม่มีกินนะ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 ยุคโชกุนหมดไปเมื่อประมาณสักร้อปีก่อนมีโชกุนอยู่คน2คนที่อายุสั้นมากอายุแค่20กว่าตายเพราะอนะไรทราบไหมตายเพราะว่าขาดวิตามิน B นะคือเป็นโรคปางนกกระจอกขาดวิตามิน B ก็คือก็จะคงกินไม่ได้กินข้าวซ้อมมือนะกินแต่ข้าวขาวเพราะว่าวิตามิน B มันอยู่ในข้าวซ้อมมือ เป็นยนิงโชกุลนะมีอำนาจเรียกว่ายิ่งกว่าจากกาักรพรรดิแต่ตายอายุยี่สิบกว่าเพราะว่าไปโรคปากนกกระจาะขาดวิตามินดีถามว่าไม่มีกินหรือเปล่าคงไม่ใช่นะแต่เลือกกินมากกว่าเลือกกินอยากจกินข้าวขัดข้าวขาวข้าวซ้อมมือมันสากนะเคี้ยวยากนะอันนี้เรกากินไม่เป็นทั้งที่ว่า รู้จักกินมาตั้งแต่เกิดแต่ก็กินไม่เป็นบางคนกินแต่เนื้อนะเป็นเกาอายุแค่40ก็ตายนะอย่างเศษธีที่เป็นผู้ประทนะัาไมเคิลแอนเจโล่เพราะเราคงรู้จักไมเคิลแอนเจโลเขาได้จิตได้ดีเพราะมีผู้ประทับชื่อลอเรนโซเบเ i ชีเก่งมากนะแต่ว่าอายุสั้นเพราะว่าเป็นเกาตาย เขาชอบกินแต่เนื้อกินแต่เครื่องในร่ำรวยมากไม่กินผักเลยอันนี้เรียกว่ากินได้แต่กินไม่เป็นคนสมัยก่อนถึงไม่รวยเนี่ยแต่ว่ามีโรคภัยแค่เจ็บเยอะนะเพราะการกินไม่เป็นในสมัยตึกเด็กเนี่ยตามานี่บ้านอยู่ข้างหลังบ้านเนี่ยเป็นเป็นวังของเจ้านาย ก็มีหมอ ม, ม่อมห้ามคนนึงนะอายุมากแล้วเป็นคอหอยพ่อเดี๋ยวนี้สมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักแล้วคอหอยพ่อกันนะคอหอยพ่อนี่เป็นเพราะขาดไอโอดีก็คือขาดเกลือนั่นเองไม่ใช่จนนะรวยไม่ไม่ไม่ขาดแค่เรื่องการกินแต่ว่ากินไม่เป็นอันนี้ก็เพราะส่วนใหญก็เพราะขาดความรู้ด้วยขาดความรู้ แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนสมัยนี้ไม่มีปัญหาแล้วลโรคปากนกกระจอกหรือว่าโรคข้อหายพอกนะเพราะว่ามีการเตริมวิตามินบีแต่แล้วก็ใช่ว่าจะกินเป็นคนสมัยนี้กินเนื้อนมไข่กันเยอะมากนะจกนกระทั่งเป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคเบาหวานกินน้ำตาลกันมาก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 าการรักตัวเองก็จะเป็นการรักตัวเองในทางที่ผิดก็ได้แล่วส่วนหนึ่งก็เพราะการที่ไม่ได้รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงเลยเพราะจิตใจเราจะมีความรู้เรื่องร่างกายเยอะเดี๋ยวนี้เรามีความรู้เรื่องกายเรื่องร่างกายมากจนกระทสามารถที่จะรักษาร่างกา ย, ยาเราให้มีสุขภาพอนามัยดีแต่พอเราไม่รู้จัก ดูแลรักษาจิตใจของเราจิตใจนั่นแหละที่มันจะทำให้เรามีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายเป็นโทษกับตัวเองเอาง่ายๆเนี่ยการกินเหล้าสูบบุหรี่นะมันก็เป็นการเชิญชวนเชื้อโรคมาชิญชวนโรคภัยไข้เจ็บและความตายมาหาตัวเร็วเข้าคนที่กินเหล้าสูบบุหรี่นะ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 ชาวคนที่ประจบประแจงก็จะพูดอย่างนั้นแต่นาเมริกาเทวี TV เป็นคนที่ใฝ่ธรรมพูดตรงไม่โกหกพ ร, ระเจ้าปเสนิโกศนได้ฟังก็ที่แท้ก็ไม่พอใจแต่พอนาเมริกาเทวี TV ถามว่าแล้วพ ร, ระเจ้าปเสนจิโกศนละ่ะรักใครมากที่สุดพ ร, ระเจ้าปเสนจิโกศนใครควรก็เพราะเออใช่นะเราก็รักตัวเองมากกว่าใคร วันรุ่งขึ้นพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ไปกราบไปฟ้าพพุทธเจ้าแล้วก็เล่าเรื่องนี้พุทธเจ้าก็ตรัสรับรองนะแล้วพรองก็พูดเป็นภาษเส็จหรคาถาว่า <c oughs> เมื่อตรวจดูด้วยจิตทั่วทุกทิศแล้วไม่พบใครที่ไหนเป็นที่รักยิ่งกว่าตัวเองนคนอื่นก็รักตนเช่นเดียวกันแต่ทางก็ตัดต่อแทางก็ตัดต่อว่า เนะพราะฉะนั้นเมื่อรักตนก็อย่าเบียดเบียนผู้อื่นนะความหมายของภารัสิสเนี่ยสาคัญตรงประโยคสุดท้ายเ <c oughs> พราะฉะนั้นเมื่อรักตนก็อย่าเบียดเบียนผู้อื่นนะอันนี้คือการรักตนที่แท้จริงนะเพราะว่าถ้าเรารักตนไม่ถูกเนี่ยนะก็ จ, จะไปเบียดเบียนผู้อื่น ไปลักขโมยนะหรือว่าไปแย่งชิงคู่รักของเขาหรือว่าไปาไปโกงเป็นโกงเงินนะของคนอื่นหรือทำรายผู้อื่นเพื่อจะได้มีอำนาจไอ้การทำเช่นนี้เนี่ยนะมันเท่ากับหาเรื่องใส่ตัว ถึงแม้ว่าจะประสบความสำเร็จนะสามารถจะแย่งชิงคนรักของเขามาได้สามารถที่จะโกงเงินมาได้สามารถที่จะขโมยของรักของห่วงของเขามาได้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องรับวิบากต้องชดใช้กรรมเพราะว่าเมื่อไปเบียดเบียนเขาเขาก็ต้องตอบโต้แก้แค้นจองเวรเอาคืน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 สีเนี่ยเป็นเครื่องป้องกันให้เราเนี่ยไม่ไปเบียดเบียนผูน้อื่นด้วยอำนาจของความโกรธความโลภและความหลงเอาคนเลานี้ถ้าปล่อยให้ความโกรธความโลภความหลงครอมงำเนี่ยมันทำผิดศีลได้ทุกข้อเลยนะถ้าโกรธก็ไปผิดศีลข้อที่หนึ่งนะถ้าโลภก็ผิดศีลข้อที่สองข้อที่สามนะ ส่วนข้อที่สีนีกน่ก็เป็นความก็เกจากความโกรธนะต้องการทำร้ายต้องการาใส่ร้ายเขาแล้วข้อที่5้าล่ะมันเป็นการเติมความหลงให้กับจิตใจเราดื่เหล้าสูบเราดื่เหล้าเมา ย, ยาสิ่งเสพติดแล้วเนี่ยมันก็หลงนะเมามา ย, มายขับรถก็ไปชนเขาหรือไม่ก็ แหกโค้งไปชนเสาไฟฟ้าไม่ชนใครนะ้แต่ตัวเองตายบางทีก็พาคนอื่นตายไปด้วยถึงไม่ตายก็ผิกการนะิการตั้งแต่อายุ20พิการตั้งแต่อายุ19เพราะว่าเมาอันนี้เรียกว่าทำร้ายตัวเองเพราะความหลงแต่ความโลภและความกลัวก็เหมือนกันสามารถที่จะ กวากมือเรียกให้ความทุกข์ร้อนนะเข้ามาย่ำยีบีทาชีวิตจิตใจของตัวเองได้เพราะฉนั้นคนที่ไปขโมยนะทรัพย์สมบัติของผู้อื่นไปย่งชิงคนรักของผู้อื่นคนเหล่านี้เนี่ย แม้เขาจะคิดว่าเขารักตัวเองทำเช่นนั้นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเขากำลังก่ อ, อ ก, กรรมทำเข็นให้กับตัวเองแล้วอย่างนี้จะรักตัวเองได้อย่างไรนะแลวถ้าดูให้ดีเนี่ยที่เขาทำเช่นนั้นเนี่ยไม่ใช่เพราะเขารักตัวเองนะแต่เพราะเขารักเงินนะเขารักเงินเขาถึงไปขโมยเงินจากผู้อื่นเขาถึงไปโกงนะบางคนรักเงินนะถึงขั้น ไปทำ้ายพี่น้องยังชิงมรดกรักเงินสามารถทำให้คนบางคนน่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้เพื่อเจ้าทรัพย์สมบัติของพ่อแม่คนอย่างนี้ไม่เยกว่ารักตัวเองนะเพราะว่าเขากำลังเดินหน้าสู่นรกนะใจที่ทำไปเพราะว่ารักทรัพย์สมบัติมากกว่าบางคน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 ทำมารกดท้ายปรากฏว่าป่วยหนักเลยด้วยความเสียดายด้วยความเสียใจอย่างนี้เรียกว่ารักตัวเองไหมอย่างนี้เรียกว่ารักมารกดรับทับทิมมากกว่ารักตัวเองเพราะว่าใจนี่ก็ยังยึดมั่นเสียดงเสียดา ย, ยาจนกระทั่งปล่อยให้จิตใจ ย่ำยาถึงกับเจ็บป่วยบางคนบางคนโดนเพื่อนโกงเงินไปหรือว่าเขายืมเงนินแล้วไม่คืนกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะร่างกายผ่ายผอมอย่างนี้เนี่ยเรียกว่ารักตัวเองไหมอันนี้เรียกว่ารักเงินมากกว่ารักตัวเองเห็นแก่งเงินจนกระทั่งปล่อยให้ร่างกายทรุดหรือบางคนเนี่ยถูกจนจี้ ในซอยเปรียวโดนบอกเอาเงินมาเอาสายส้อยมาเอาโทรศัพท์มาขัดขืนต่อสู้นะไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปแต่ย้อมให้เขานะทำร้ายถึงตายได้หรือว่าถึงกับพิการอันนี้เราไม่ได้รักตัวเองนะแต่รักทรัพย์สมบัติมากกว่ารับรักโทรศัพท์มากกว่าอันนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยเพราะรักตัวเองไม่เป็น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 เขาจะไม่ยอมให้สิ่งนั้นเนี่ยมาเป็นใหญ่เหนือใจของเขาจนกระทั่งผลักดันให้พร้อมจะทำชั่วได้เช่นโกงขมโมยหรือว่าเอาแต่เสียดาดไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางจนเจ็บล้มป่วยถ้ารักตัวเองจริงเนี่ยก็พร้อมที่จะปล่อยวางมันได้เพื่อจะรักษาสุขภาพของตัวเอง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 จำเป็นต้องเรียนรู้เราต้องเรียนรู้เรื่องตัวเองโดยเพราะเรื่องของจิตใจแต่การเรียนรู้จิตใจของตัวเนี่ยมันไม่ใช่เรียนรู้จากการอ่านนะแต่เรียนรู้จากการปฏิบัติเรียนรู้โดยการตามดูรู้ทันใจของเราจนกระทั่งเห็นธรรมชาติของใจหรือว่าเห็นอารมณ์ที่มัน ครอบงำจิตใจแล้วก็ชักพาให้ไปในทางที่ผิดหรือว่าก่อความทุกข์แก่ผู้อื่นหรือไม่ก็ซ้ำเติมตัวเองนะคนเราทารกตัวเองแท้จริงนี่ก็ยังไปปล่อยให้อารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบงำนะไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเกลียดความน้อยเนื้อต่ำใจความรู้สึกผิดนะหรือที่เรียกรวมๆกันว่าโลภโกรธหลง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 เป็นการเป็นการบ่มเพาะฝูกฝังนะระเบิดเวลาเอาไว้ในใจของตัวใครที่เป็นคนโกรธง่ายเนี่ยนะต้องระวังนะเพราะว่าเรากำลังสะสมระเบิดเวลาเอาไว้ไม่ต้องรอให้แก่นะบางทีอายุแค่ย0 3 0นะโกรธจกนกระทั่งเส้นเลือดในสมองแตกเป็นอมาพืตนอมตาพาดไป หรือถึงไม่ถึงแม้จะไม่โกรธ ถ, ถึงถึงไม่ไม่ถึงกับขนาดเป็นแค่เลื่อสมองแตกนะแต่ว่าเพียงแค่มีความโกรธเกิดขึ้นมันก็เผาล่นจิตใจแล้วนะพวกเราสังเกตไหมเวลาโกรธเนี่ยเวลาโมโหเนี่ยนะใจมันรุ่มร้อนนะอันนี้เรียกนรกชนิดหนึ่งนะนรกมันไม่ต้องรอให้ตายไปก่อนถึงจะได้ไปเจอ นรกสามารถที่จะสัมผัสได้หากว่าเราปล่อยให้ความโกรธเข้ามาหลังความจิตใจถนอมความโกรธเอาไว้เพื่อนมาแนะนําว่าให้อภัยไม่ยอมแนะนำบางทีโกรธเพื่อนนะโกรธเพื่อนที่แนะนําว่าให้อภัยเขาสิให้อภัยแฟนเก่าให้อภัยคนที่โกงเงินเรานะอยู่ให้อภัยคนที่ การแกล้งใส่ร้ายเราจะให้ภัยมันได้ยังไงนะต้องแก้แค้นมันในระหว่างที่รอการแก้แค้นจิตใจก็ทุกนะเวลาอยู่ร้อนนอนทุกแก้แค้นเสร็จก็ใช่ว่าจะมีความสุขที่ไหนอาจจะศาสใจชั่วคราวเสร็จแล้วก็ไปโกรธเรื่องอื่นใหม่ยังไม่ต้องพูดถึงว่า ไอ้คนที่เขาถูกแก้แค้นถูกประทามจากเรานี่เขาก็ต้องตอบโต้ถ้าเขาไม่ตอบโต้โดยตัวเองเขาก็ไปเรียกตำรวจมาตำรวจก็ตามล่าเราเราก็หาความสงบสุขไม่ได้จะไม่ต้องรอให้ใครมาเล่นงานเรานะไอ้ความไอ้อารมณ์เหล่านี้นมันก็ทำร้ายเราอยู่ทุกขณะที่เราปล่อยให้มันคลองใจเรา เพราะนั้นทาักตัวเองแท้จริงเนี่ยก็ต้องหาทางที่จะปิดกั้นไม่ให้อารมณ์เหล่านี้นะมาครอบงาจิตใจของเราจะหาทางป้องกันได้ไงก็ต้องรู้เท่าทันมันก็ต้องหมั่นนะตามดูรู้ใจตัวเองนะเหมือนกับจิตใจที่มีผู้จิตใจที่มีเมื่อกบ้านหรือเมืองที่มี ทวาราบาลหรือว่าทหารยามที่คอยเฝ้าเอาไว้ไม่ให้ศัตรูเข้ามาลุกล้ำได้ใจเรามีสิ่งนี้หรื อ, อยังนะใจเรามียามที่คอยป้องกันไม่ให้อารมณ์ที่เป็นอกุศลที่เป็นศัตรูเข้ามาครอบงําใจเราของเราหรื อ, อยังนะส่วนใหญ่นะก็ปล่อยให้มันหรือว่าปล่อยให้จิตใจยยตัวเนี่ย นะเปิดโล่งน ะ, ะภาษาสมัยใหม่เาเรียกว่าอะไรอาซานะศัะะตรูก็เข้ามาลุกล้ำเล่นงานจิตใจของเราได้การทำเช่นนี้ไม่เรียกว่ารักตัวเอ ง, องแท้จริงถ้าคนที่รักตัวเองเนี่ยนะเาจะมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาสามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุข แต่ลองสังเกตดูนะจะหาคนทุกวันนี้เนี่ยที่จะอยู่กับตัวเองและมีความสุขเนี่ยยากมากคนส่วนใหญ่นะจะเรียกว่าพวกเราส่วนใหญ่ก็ว่าได้นะเวลาอยู่กับตัวเองเนี่ยถ้าอยู่คนเดียนยจะกระสับกระส่ายนะจะต้องหาเพื่อนจะต้องหยิบโทรศัพท์มาคุยจะต้องอ่าไปเที่ยวเตรด ไปเที่ยวห้างนะสมัยนี้ก็ต้องจับนะเอาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมาก้มเล่น Facebook หรือว่าส่งลน์เกิดปรากฏการณ์ที่เราสังคมก้มหน้านะขนาดไปไปกินข้าวเนี่ยคอยอาหารเนี่ยเพียงแค่สองสามนาที5้าที่ยังคอยไม่ได้เลยนะ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 ก็จะหาความสุขไม่เจอเลยจะกระสั์กระสายหรือถึงกับทุรนทุรายอันนี้มันช้องนะฟ้องว่าทนอยู่กับตัวเองไม่ได้แล้วถ้าทนอยู่กับตัวเองไม่ได้จะเรียกว่ารักตัวองได้อย่างไรเวลาเรารักใครเนี่ยเราก็อยากอยู่ใกล้ชิดกับคนนั้นเรารักพ่อรักแม่ก็อยากอยู่ใกล้พ่อแม่เรารักแฟนก็อยากอยู่ใกล้แฟน นะเราลักกล้องก็อยากนะอยู่ใกล้ใกกับกล้องลักพกเครื่องก็เล่นพักเครื่องทั้งวันหรือว่าถ้าลักรถนี่ก็ก็เอาแต่ทนุถนอมรถนะดูแลรถมีความสุขที่ได้ใกล้ชิดรถแต่เพราะฉะนั้นถ้าลักตัวเองเนี่ยมันก็ต้องอยากก็ต้องมีความสุขที่ได้อยู่กับตัวเอง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 ไปรักสิ่งอื่นมากกว่าไปลักเงินทองทรัพย์สมบัติโทรศัพท์รถยนตนะ์หรือว่าชื่อเสียงหรือซึ่งถ้าสาไปลึกๆนะมันก็ลักกิเลสนะลักกิเลสประคองรักษากิเลสเอาไวนะ้อะไรก็ตามที่ทำให้กิเลสลดลงนะก็จะกัดถืนต่อสู้ จะให้มาปฏิบัติธรรมก็ไม่ยอมนะเพราะกลัวว่ากิเลสมันจะลดลงให้ลองพิจารณาดูนะถ้าเราไม่มาพิจารณาดูเราก็จะหลงผิดคีดว่าเรารักตัวเองอย่างถูกต้องแล้วแต่ว่าถ้าดูไปพิจารณาไปก็จะพบว่าเอยเราไม่ได้รักตัวเองเรารักอย่างอื่นแทนอันนี้ เ, เป็นเพราะความหลง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 เข้าถึงความจริงของตัวเองนะในที่สุดจะพบว่าใช้จริงแล้วเนี่ยนะมันไม่มีมันไม่มีตัวฉันนะตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ำทนะีงแรกเนี่ยนะมาปฏิบัติรู้จักตัวเองจนกระทั่งรักตัวเองแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปเห็นความจริงลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อย ก็จะพบว่าแท้จริงแล้วมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวเองหรือตัวฉันเลยนะมันเป็นเพียงมายาที่จิตมันปรุงแต่งขึ้นมาถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็จะหลุดพ้นจากความจมั่นถือมั่นในตัวตนนะหมดสิ้นซึ่งความเห็นแก่ตัวอย่างแท้จริงนะจะเป็นสภาวะที่เป็นอิสระนะเพราะว่า ไม่ถูกตีกรอบด้วยตัวตนหรือความรักตัวเองด้วยซ้สำสิ่งที่เกิดก็คือนะความรักในสรรพสัตว์ความรักสรรพชีวิตยังไม่มีที่สุดไม่มีประมาณที่พระเจ้าตัดเป็นภาษิตนี่ก็สําหรับนะคนทั่วไปบุตุชนทั่วไปนะแต่คนที่รักตัวอย่างแท้จริงเมื่อปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆก็จะ เป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองพอรู้ว่าตัวเองหรือตัวฉันเนี่ยมันไม่มีจริงตั้งแต่แรกนะตรงนั้นแหละนะจะเป็นภาวะที่อิสระอย่างแท้จริงนะทำให้เข้าถึงความสุขนะที่เหนือสุขชนะนิดคือความทุกข์มันอาจจะ ผ, ผ่านได้อันนี้ก็คื อ, นะอการที่ คือจุดหมายสูงสุดของการค้นพบตัวเองนะผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยค้นพบตัวเองไปเรื่อยๆพบไปเรื่อยๆก็จะพบถึงความว่างเปล่านะเหมือนกับเหมือนกับที่เราเจาะทะลุต้นไผ่ไปเรื่อยๆให้ลำไผ่นเจาะไปเจาะไปเจาะไปบอกว่า ในสุดก็จะเจอว่าข้างตรงกลางเนี่ยมันว่างเปล่าแต่ความว่างเปล่านี้นะไม่ได้ทาให้เป็นทุกข์เลยนะการพบความจริงที่ทำให้เป็นสุขอย่างแท้จริงซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะเราก็จะเข้าใจเป็นลำดับไปสำหรับคำนี้ก็พูดแนะนำเท่านี้ก่อน เตรียมตัวกลับพระ